<c oughs> หายไปสองวันก็หลวงพ่อไม่ได้หยุดสองวันก็สอนสมาธิชั้นสูงต่อ <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันปลอดโปร่งเพราะว่ายุติการฉันยาแก้วัดแล้ว <c oughs> ทดสอบร่างกายว่าสวยไหมตั้งแต่เช้ชามา น, นี่ก็ถือว่าใช้ได้ ร่างกายกับคืนเข้าสู่ความเป็นปกติ <c oughs> วันนี้คงจะต้องมาเริ่มต้นกันมาถึงสมาธิเ อ, เ, อเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นฌานเริ่มต้นสมาธิแล้วก็มาถึงฌานวันนี้มาถึงฌานซึ่งเป็นข้อ ที่จะต้องพยายามทำความเข้าใจว่ายานนั้นคืออะไรเรารู้แล้วว่าสมาธิคืออะไรฌานคืออะไรมาถึงวันนี้ก็คือยานคืออะไรน <c oughs> <c oughs> เราพยายามจำสูตรว่ายานแปลว่า ความรู้สู่ความสาเร็จอันนี้ใครจะแปลไปยังไงก็แปลไปแต่ว่าในที่นี้เราแปลว่าความรู้สู่ความสาเร็จความรู้มันมีหลายอย่างไอ้ความรู้บางอย่างนี่มันก็ไปเที่ยวรู้สเปกสะปะหรือว่าไปเที่ยวรู้อะไรสอกสอกแสกแส อย่างนั้นเราไม่เรียกกันว่ายานแต่ว่ายานนั้นคื อ, อความรู้สู่ความสาเร็จความรู้สู่ความสาเร็จนี่เราจะต้องเข้าใจในอันดับแรกก่อนว่าทุกคนเราเนี่ยมียานมาแล้วเช่นเดียวกันกับสมาธิเช่นเดียวกันกับฌาน และมาที่นี้ก็เช่นเดียวกันยานมันจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนแล้วก็ผ่านยานเหล่านั้นมาแล้วทั้งนั้นเรายกตัวอย่างเช่นคนที่เขามีการรู้อนาคตอย่างเนี้ยการรู้อนาคตเนี่ยมันเป็นยานชนิดหนึ่งแล้วเวลานี้ การที่เขาวางแผนเขาจะวางแผนอะไรก็ตามล้วนวางแผนเป็นอนาคตอันนี้คือยานชนิดหนึ่งตามธรรมชาติเช่นอย่างการวางแผนปกครองบ้านเมืองการวางแผนเศรศษฐกษิจ ก, การวางแผนตัดถนนหนทางการวางแผนผังเมือง การวางแผนครอบครัวว่าจะทําอย่างไรข้างหน้ามันอาจจะสิบปีบ้างร้อยปีบ้างสุดแล้วแต่ความฉลาดสามารถในการวางแผนเหล่านี้นั่นแหะถ้าไม่มีความรู้สู่ความสําเร็จทําไม่ได้เช่นอย่างเขาวางถังเมืองไว้เนี่ยเพื่ออีกห้าสิบปีข้างหน้าบางแห่งเนี่ยวางถังเมืองไว้ เพื่อรองรับอีกร้อยปีข้างหน้าอย่างนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกที่รู้จักอนาคตในการที่พวกเราเนี่ยเราจะมีหลายๆคนที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะรู้ว่าเราควรจะประกอบอาชีพอะไรเราควรจะ ดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จทุกสิ่งเหล่านี้ร่วนแต่เป็นญาณทั้งสิ้นตลอดจนกระทั่งการวางแผนการศึกษาว่าเราจะศึกษาไปถึงขั้นไหนอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อย่างที่ญาณเนี่ยอาจจะมีว่าญาณรู้จักอนาคต แล้วก็ยานรู้จักการรักษาโรคยานรู้จักในอดีตยานรู้จักสรรพสิ่งอันนี้จะมีอยู่ในตัวของคนและบุคคลก็ได้พาการพัฒนายานเหล่านี้มาตามลำดับอย่างยานอนาคตแล้วก็ได้พูดไปแล้วต่อไปก็คือยานรักษาโรคไข้ โครคภัยไข้เจ็บอะไรจะเกิดขึ้นแก่มนุษย์มนุษย์ก็หาทางป้องกันและปราบปรามด้วยสติปัญญาความรู้ความฉลาดความสามารถล้วนเป็นญาณทั้งสิ่งทีนี้ว่าถึงญาณรู้ในอดีตอดีตก็คือทุกสิ่งทุกอย่างตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เขาเรียกว่ามนุษยศาสตร์บ้างนํามาเป็นเครื่องแก้ไขเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยในทางที่ไม่ดีอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะมียานได้รู้ว่าเมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ยทําอะไรมามันเกิดการพลาดพลัง้งเราจะต้องแก้ไขอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอที่ได้กล่าวมานี่ ก็เพื่อที่จะให้ทราบว่าคนเหล่านั้นมียานกันอยู่แล้วแต่ยานทั้งทุกสิ่งเหล่านี้นั่นจะประกอบขึ้นด้วยกำลังสติด้วยกำลังปัญญาด้วยความท้าเรียกว่าชาวนะักปัญญาเกิดขึ้นจากสมองของมนุษย์ที่สามารถจะทำได้เรียกว่าความรู้ สู่ความสำเร็จทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มาพูดกันถึงยานในลักษณะที่เราสร้างขึ้นด้วยสมาธิยานที่สร้างขึ้นด้วยสมาธินี้จะอยู่นอกเหนือนอกเหนือจากยานธรรมชาติยานธรรมชาติจะคิดได้ว่า อนาคตคิดได้อันดีตคิดได้รักษารอบคือคิดอะไรก็คิดได้แต่ว่ายานที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นอันนี้ขออ่านกลับคืนไปว่าทั้งหมดที่กล่าวมาคือยานธรรมชาติซึ่งยานเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ที่สอบแสวงหาด้วยความกระตือรือร้น ยึงเกิดผลความรู้สู่ความสำเร็จแต่ยานที่สร้างขึ้นจากสมาธิย่อมเป็นหน่วยงานที่สามารถส่งเสริมความรู้สู่ความสำเร็จนั้นให้เพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ความเฉียบคมความลึกซึ้งความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพื่อชีวิตและสังคม ในสังคมมีความรู้ที่ก้าวไกลกว่าเดิมด้วยพาษาังกฤษคือในยานที่เราพากันสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีความรู้ที่ก้าวไกลกว่าเดิมกว่าที่เขาได้คิดกันเช่นเขาคิดกันไปได้แค่นี้แต่เมื่อยานที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มีความรู้ เพิ่มเติมเกินไปกว่าที่มนุษย์ธรรมดาที่เขาคิดกันทีนี้เมื่อตามความเป็นจริงแล้วจะพัฒนาอะไรก็ตามจุดสุดท้ายต้องการความสงบสุขดังนั้นในกรณีที่จะต้องให้ความเก้าไกลของมนุษย์ที่จะต้อง ใช้พลังจิตเพื่อให้เกิดขอบเขตจำกัดลงไปที่ความสงบด้วยเหตุดังกล่าวยานที่สร้างขึ้นจึงสามารถทำให้สังคมมนุษ ย, ย์ชาติทะลุเป้าสู่ความสงบสุดได้ด้วยยาน เ, เมื่ อ, อพูดกันมาถึงเรื่องยานมันเกิดขึ้นตรงไหน เมื่อเวลาที่เราทำสมาธิขึ้นจะลาดับมาตั้งแต่เริ่มต้นลาดับมาตั้งแต่การบริกรรมพอการบริกรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอ น, นั้นเริ่มสมาธิแล้วเมื่อเริ่มสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มปูนพลังจิตเมื่อเพิ่มปูนพลังจิตเนี่ยพลังจิตมันจะมีมากเพิ่มขึ้นตามลาดับ เพราะว่าการที่เราจะสามารถเพิ่มพลังจิตได้เนี่ยก็เพราะสมาธิเป็นผู้ที่ผลิตพลังจิตให้ทีนี้เมื่อไปถึงจุดหนึ่งเกิดความสบายพอเกิดความสบายแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าสมองของเราเนี่ย ปลอดโปรงขึ้นสิ่งที่ทำให้ยานเสียนั่นอ่ะมันมีอะไรสิ่งที่ทำให้ยานเสียนั่นคื อ, อความวิตกเกินแก่เหตุแล้วก็ความโกรธเกินแก่เหตุความโลภเกินแก่เหตุสิ่งเหล่านี้จะทำให้ยานนี้ไม่ก้าก้าวไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตของเราเนี่ยไปถึงความสบายเกิดความปอดโปรงของสมองแล้วมันจะชำระล้างไอ้ความโลภแล้วความโกรธแล้วความปริวิตกเกินเหตุมันจะถูกชำระออกไปถ้าหากว่าไม่มีพลังจิตที่จะทำให้เกิดฌาน การที่จะชำระล้างความโลภแล้วความโกรธเกินแก่เหตุแล้วก็ความรีวิตกกังวลอะไรเหล่านี้อันนี้มันมันมากำบังไม่ให้ญาณเนี้ยจะต้องเกิดความก้าวหน้าทีนี้เราสังเกตดูว่าสมองของเราเนี่ยเมื่อเวลามัน มันจะทึบขึ้นมาเนี่ยคือมันคิดอะไรไม่ออกอาการที่คิดอะไรไม่ออกนั่นเพราะอย่างนี้เราต้องตั้นคำว่าเมื่อคิดอะไรไม่ออกเพราะคิดอะไรไม่ออกเพราะเราต้องถามอย่างนี้พอคิดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่เข้ามาเจือปนในสมองเนี่ยความโลภความโกรธเกินขนาด ความวิตกกังวลเกินขนาดมาอยู่ในสมองเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกะ่ะแต่ทีนี้เพราะว่าความโลภแลวความโกรธเกินขนาดความวิตกกังวลเนี่ยมันลดระดับลงความคิดของคนก็จะโปร่งใสขึ้นเพอความคิดโปร่งใสขึ้นนั่นคือยานยานที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาเรา เอบริกรรมพุโทโธจงกระทั่งจิตเป็นหนึ่งได้พลังจิตจงกระทัางเกิดความเยือกเกยน็นอันนี้คือว่าได้ถูกลดระดับแล้วอด้วยสมาธิที่สร้างขึ้นด้วยฌานที่สร้างขึ้นมันก็กลับกลายมาเป็นยานที่สร้างขึ้นลกลับกลายมาเป็นยานที่สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเด็ก ที่กำลังเรียนกำลังที่จะ เ, เรียนให้เกิดความจําให้เกิดความอ่องใสเกิดความโปรง่งความพ่องใสเด็กๆมันต้องมียานที่ผ่องใสยานที่เกิดขึ้นจากการชาระล้างสมองอย่างเด็กเนี่ยเราว่ามันไม่มีความโรกไม่ได้ มันไม่มีความโกรธไม่ได้ไมันมีความวิตกกังวลก็ไม่ได้เราอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยมันคงไม่มีความโลภเหมือนผู้ใหญ่หรือไม่มีความโกรธเหมือนผู้ใหญ่หรือไม่มีความหลงเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเด็กไปโรงเรียนหรือเวลาเราดูแลเด็กเนี่ยมันจะทะเลาะกัน นอกจากทะเลาะกันแล้วก็ตีกันหาเหตุผลไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือความโกรธอันนั้นคือความโลภอันนั้นคือความวิตกกังวลเกินเหตุอืมเช่นอย่างที่ว่าอคนมาฟ้องอบอกว่าแกเนี่ยเอไปทําอย่างนั้นอย่างนี้พอรู้ว่าคนนี้ไปฟ้องครู ก็ไปตามเล่นงานอีกคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการไม่ได้ชำระล้างสมองด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเด็กสามารถที่จะเอาสมาธิเข้าไปสู่ในจิตอย่างน้อยที่สุด เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ให้มีสมาธิสักประมาณสี่ห้าชั่วโมงอย่างเนี้ยสําหรับเด็กไอการชําระล้างอนสมองเนี่ยมันจะมีการชําระทีนี้ถ้าไม่มีสมาธิเลยเนี่ยไม่ชําระไม่รู้จะอะไรไปชําระอ่าอย่างเด็กเล็กๆเกนี่ยเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะ เล่นเอาแต่ใจทําอะไรก็จะเอาแต่ใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดไอ้ความไม่ได้ทําระล้างสมองอย่างนี้ไอ้ยานเนี้ยมันก็จะเกิดให้เป็นความโปร่งใสไม่ได้อันนี้เมื่อลันดับมาอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเมื่อเวลาเรานึกพุทโธพอเวลานึกพุทโธแล้วจิตมันก็อยู่ที่ พุโทโธคือหมายความว่าจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เท่ากับว่าส ะ, สะสมพลังจิตเมื่อสะสมพลังจิตแล้วมันก็เกิดความสบายคือเป็นฌานเมื่อเป็นเช่นนั้นสมองถูกชําระได้แน่นอนแล้วยานจะเกิดขึ้นตรงนั้นอันนี้เราว่าเราว่าในขั้นแรกในขั้นที่เพื่อที่จะให้ ให้มีการพัฒนาเพราะว่ายานอันเนี้ย เ, เมื่อบุคคลผู้ทำสมาธิมีพลาาังจิตได้แล้วมันจะพัฒนายานอันนี้ขึ้นและทีนี้ถ้าหากว่าเราเพูดไปถึงจุดพลังอานาจอย่างที่เราได้ศึกษามาแล้วในขณะทำสมาธิถึงจุดพลังอานาจ ในเมื่อถึงจุดพลังอํานาจนั้นถือว่าพลังจิตนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่มีพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วเมื่อไปถึงจุดพลังอํานาจจุดพลังอํานาจนั้นมันจะสร้างสร้างหน่วยงานขึ้นในจุดพลังอํานาจสร้างหน่วยงานนั้นมีสร้างหน่วยงานได้หลายอย่างเมื่อถึงจุดพลังอํานาจนั้นแล้ว สร้างหน่วยงานที่หนึ่งคือการสร้างชานช่างหน่วยงานที่สองคือการสร้างยานเรียกว่ายานที่จะต้องการรู้อนาคตยานระลึกชาติยานที่จะทำให้เกิดรู้จกักจิตใจอะไ ร, ะไรตๆต่างๆก็อยู่แล้วแต่และที่สามคือยานอย่างสูวิปัสนา เพื่อทำกิจนี้ให้หลุดพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นในจุดพลังอำนาจเนี่ยะจะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะทำให้เกิดหน่วยเพื่อีกวนหน่วยอ่าพูดไปพูดมาเข้าหลักการมากแล้วจะต้องออกนอกหลักการสะทีแล้ ว, วดูรู้สึกว่า ถชักจะงงงงแล้วงงหรือไม่งงอาจจะงงแล้วคนอธิบายก็งง <c oughs> คนฟังก็งงแต่ทีนี้เราจับจุดว่าจุดพลังอำนาจเนี่ยคื อ, อจะอธิบายให้ฟังบางคนไม่ได้เข้ามาทบทวนแล้วกทบทวนกันก็นยังไม่หมด เวลามาทดทวนหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ว่า <c oughs> เวลาทำจิตเราทำสมาธินี่จุดประสงค์อะไรทำสมาธินี่จุดประสงค์ต้องการให้เกิดพลังจิตอันนี้คือจุดประสงค์และจุดประสงค์ต่อไปคืออะไรจุดประสงค์ต่อไปคือจุดพลังอำนาจ และการที่จะถึงจุดพลังอำนาจได้นั้นต้องทำอะไรต้องถามว่าใครคือผู้รู้การถามถึงใครคือผู้รู้นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้เราก็รู้สึกตัวเราอยู่เราก็เป็นคนเราก็รู้สึกตัวอยู่ว่าผู้รู้ก็คือใจเราก็รู้อยู่แต่ว่าทั้งทั้งที่เรารู้อยู่เนี่ย แต่มันไม่เป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงให้ถามว่าใครคือผู้รู้เพราะว่าการถามว่าใครคือผู้รู้เนี่ยมันจะไปฝังอยู่ที่จิตเก็บไว้ที่ใจจิตใจอันเดียวกันคือจะว่าจิตทุกครั้งทุกครั้งไปมันก็ซ้ากันเพราะว่าใจซะบ้างเนี่ยจริงแล้วจิตกับใจก็เหมือนกันใครจะไปคิดว่ามันแตกต่างแตกต่างแต่ตัวอากาักษร เหมือนกันครับออไฟฟ้าเนี่ยไอคนยังเคยเรียกว่าไฟฟ้าอันน้อีกคนลาวเขาเรียกอะไรนะไฟอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่มันก็คืออันเดียวกันกจิตใจเพราะฉะนั้นไอคําถามมันเนี่ยต้องการจะให้มาฝังไว้ที่ใจของเราเนี่ยพระใจของเราเนี่ยเปรียบเหมือนฟิล์มถ่ายรูปฟิล์มถ่ายรูป พอเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันจะแช่แชทแชแชแล้วก็อบออกมาก็เป็นรูปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใจของเราเหมือนกันกับกล้องหรือฟิล์มถ่ายรูปเมื่อเวลาเราถามว่าใครคือผู้รู้เขาจะเก็บไปแล้ววันหลังมาถามอีกใครคือผู้รู้เขาก็จะเก็บไว้อีกทีนี้การเก็บไว้ซึ่งคำถามอันนี้จะเป็นต้นเหตุ แห่ยานยานที่เราพูดอันนี้คือเรียกว่าจะเป็นต้นเหตุของยานยานนั้นน่าจะต้องมีคําว่าความรู้สู่ความสําเร็จนั้นคือถ้าหากว่าเราไม่มียานคือความรู้สู่ความสําเร็จเนี่ยเวลาเราทําสมาธิไปมันเกิดหลงเข้า เวลาเข้าช้านไปมันเกิดหลงเข้าใครจะมาช่วยเราแนะนำหรือจะให้หลวงพ่อเอาที่สมผัสกายไปเที่ยวไล่คนาทีละ ท, ละทีมันไม่ไหวน ะ, ะตนเองก็จะต้องแนะนำตนเองคื อ, อตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยพราตัวผู้รู้เนี่ยเราจะต้องเอามาฉายไว้ที่ใจของเราเนี่ยเราลองคิดดูสิว่า อ่าอย่างที่เขาใส่ตัวคอไก่อย่างเงี้ยอ่าไม่รู้เด็กไอตอนเด็กเนี่ยเราคงจําไม่ได้หรอกว่าเราเขียนกอไก่นี่กี่ครั้งแล้วกว่ามันจะเป็นคอไก่อยู่ในใจเนี่ยมันตั้งตั่งเยอะกอไก่ถึงหอนกพูกอย่างเงี้ยที่เราอ่านหนังสือกันเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไวแล้วทําไมมันเก็บได้ทั้งทั้งที่กอไก่เราก็รู้อยู่ แล้วแต่ทำไมมันไม่เก็บไว้ในใจก็เพราะว่ามันยังไม่จําอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถามว่าใครคือผู้รู้อย่างเนี้ยก็คือการฝังเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือเนี่ยก็คือการฝังพอฝังเข้าแล้วทีนี้เมื่อพลังจิตของเราพอพอแล้วก็จะต้องไปสัมพันธ์เรียกว่าจอยกันสัมพันธ์พอสัมพันธ์ก็กลายเป็นจุดพลังอำํำนาจ ทีนี้ก็จะไม่เกิดว่าหลงอยู่ในชานบางคนไปหลงว่าชานโน้ฉันได้สาเร็จแล้วนะอะไี้ยนะแท้จริงมันใช่มันอยู่ในชานทีนี้บางทีก็คิดว่าชานนี่ระดีเข้ามันเลื่อยไปเข้าไปเข้ามา เ, ยา เ, ามาเลยเคลิ่ไปเลยอย่างงี้ก็มีเยอะก็เพราะฉะนั้นคำถามชื่ว่า ใครคือผู้รู้นี่คือต้นกำเนิดของญาณขอให้เข้าใจด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยเมื่อไปถึงจุดที่เราต้องการเมื่อไหร่เราจะรู้คุณทันทีว่าไอ้คำที่ว่าใครคือผู้รู้อันเนี่ยมันจะไปปรากฏในเวลาที่จิตของเราเนี่เข้าไปสู่ถึง หรือเรียกว่าจิตของเราเนี่เข้าถึงศูนย์กลางแห่งพลังจิตหรือเรียกว่าจุดพลางอำนาจอันเ น, น, นี้ย <c oughs> เลยไม่ได้อ่านให้ก็มีชิดไว้สำหรับทีนี้ก็ยังต้องเป็นหนี้อยู่ว่าในขณะที่หลวงอุมั่นได้ต่อสู้อยู่ที่เขาสาริกา สาริกาคือคือน่ำตกสาริกานั่นแหละไม่ใช่ที่อื่นใกลหรอก <c oughs> แอ่ท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำไม่รู้มันไปแจ้งเมื่อไหร่ในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั่นมันมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือตรงยานเนี่ยก็เรียกว่า หลวงพ่อก็อธิบายมาถึงยานพอดีท่านถึงบอกว่าในเมื่อเราเนี่ยทำสมาธิเคลียร์สมองคือสมองของคนเราเนี่ยน ะ, ะถ้าหากว่ามันมีความโลภความโกรธแล้วก็ความตกกังวลมากเกินไปอย่างเนี้ยมันจะเกิดการทึบขึ้นยานจะไม่เกิด เพราะฉะนั้นท่านถังได้อธิบายว่าการที่เราได้ชำระคือชำระสิ่งต่างๆที่มันไปมัวหมองอยู่ที่ที่จิตใจเนี่ยแต่ทีนี้เราก็พูดไปสมองแต่แท้ที่จริงก็คนจิตใจเมื่อท่านชำระเสร็จแล้วยานเกิดขึ้นยานอันนี้ทำให้รู้จักว่า มันคุยอะไรกันมันพูดอะไรกันแล้วก็พวกสัตว์เหล่านั้นใช่ว่ามันจะไม่รู้เรื่องของคนอย่างมีลิงตัวหนึ่งมันมาพูดบอกว่าไอ้ฤาษีตนนี้ไม่เหมือนฤาษีอื่นไอ้ฤาษีอื่นนี่ ทำอะไรก็ไม่ถูกตายไปหมดแล้วนี่อันนี้เป็นคำที่ท่านพูดออกมาว่าไอ้พวกลิงที่มันมาเนี่ยเช่นอย่างเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ป่าเลไลเนี่ยก็มีลิงกับช้างพระองค์ก็คุยกับลิงกับช้างว่าแกไปเอา ขนุนมาจากไหนอย่างเนี้ยเวลาเสร็จแล้วไอ้ลิงมันไปเอาขนุนแกไปขโมยเข้ามาหรือเปล่ามันก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นรูกขนุนมันก็เป็นขนุนมันก็ไป่วยเอามาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันในป่านั่นน่ะมันมีเจ้าของขนุนป่าบ้างมะม่วงป่าบ้างอะไรบ้างมาถวายพระพุทธเจ้า หลังจากนั้นพอสว่างแล้วท่านก็ลืมตาขึ้นปรากฏว่าร่างกายของท่านเข้าสู่ปกติเหมือนเดิมฉันอาหารอะไรต่างๆก็ย่อยเหมือนเดิมในระยะสามวันท่านไม่ได้ฉันแล้วรุ่งเช้าก็ออกมาบินธบาตเมื่อออกมาบินทบาตแล้วพวกยยมก็ออกมาใส่บาท ต่างคนก็ต่างดีใจว่าออออพระคราวนี้ไม่ตายเมื่อท่านเห็นว่าพักอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วได้กำลังจิตพอสมควรแล้วท่านก็ย้ายจากที่นั่นเดินทางต่อไปเดินทางต่อไปเนี่ยเดินจากถ้ำสาธิกาเนี่ยท่า น, นจะเดินทางไปที่เขาพระงามเขาพระงามนี่จะอยู่จังหวัดลบบุรี ไปอยู่ที่จังหวัดรบบุรี น, ะนะั่นน่ะท่านเคเห็นว่าเป็นที่สปายักษ์เพราะว่าในสมัยเมื่อ 6, 7 80ปีที่ผ่านมานั้นเป็นป่าไม่มีทุ่งท่านใช้เวลาเดินจากถ้ำสาริกาเนี่ยไปถึงเขาพงามก็ใช้เวลา กี่กุวนแล้วท่านก็เดินไปถึงเมื่อเดินไปถึงวัดเขาพงงามแล้วท่านก็ไปเลือกหาสถานที่ว่าสถานที่ไหนจะทําความเพียดได้ก็พอดีเจอถ้าสิงโตเรียกว่าถ้าสิงโตแล้วท่านก็พักอยู่ที่ถ้าถ้าสิงโตนั้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงคุณนี้ว่ากันไหม ก็คุยกันไปเรื่อยๆเลยอย่าหาว่าของพ่อเอาเปรียบก็แล้วกันไม่ได้เอาเปรียบหรอกพูดไปมันก็ไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วไม่ไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยอยู่บ้างแต่พอพอทนได้ <c oughs> เอาอย่างนี้เหรอต่อไปเป็นการถามตอบตามอธัธยาศัยก็แล้วกันเราถือว่าไม่ต้องเกรง เวลาถามถือว่าเรากันเองไม่มีใครที่ไหนเรากันเองทั้งนั้น <c oughs> พูดตามอัธยาศัย อ, อ, อันดับแรกเบอร์ห้าแดแปดคุณจงชนะสีสมรักกราบพระพสการประเดชพระคุณไตรจารย์ครับผมในปัจจุบันกระผมก็ได้ปฏิบัติ สมาธิตามคำสอนพระอาจารย์อยู่และณปัจจุบันนี้จะมีเป็นห่วงในอนาคตนิดหนึ่งครับผมอยากจะเรียนถามท่านพระสุคุณว่าเท่าที่ทราบ ม, มาที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าจะไม่ได้สอนในรุ่นที่สี่แล้วก็รุ่นสามที่จะจบไปนี้ก็เป็นห่วงว่าอาจะมีเพ็จน้ําเอกหรือเพ็จอะไรสักอย่างในรุ่นอในครูสมาธิชั้นสูงหรือเปล่าครับตรงนี้ ติดกังวลตรงนี้ครับผมเพราะว่าเรื่องของอนาคตมันไม่แน่อาจจะอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะไปก็ได้แต่ยังไงก็ตามาตามโปรแกรมก็จะไปสอนที่แอตเลตันในประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า <c oughs> แต่ไปสอนก็คงใช้เวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็อาจจะนะกลับมาตอนเดือนกรกฎาคมก็มาเริ่มแต่รุ่นสีนี่ก็อยากจะให้ <c oughs> เปิดนะ เลขากับคณะเราเนี่ยเป็นคนสอนรุ่นสีต่อไปปรับกันเอาเลขาเป็นหัวหน้าแล้วก็ให้ชื่อรุ่นสีว่ารุ่นทะเลทราย เราไม่ต้องหวง่วงเราอนาคตยังไงหลวงพ่อก็คงไม่ทิ้งแน่สมาี่ชั้นสูงรก็คงมาสอนต่อให้เพราะว่ า, ารุ่นอินซีนี่รู้สึ ก, กว่าเข็มแข็งดียังถูกใจหลวงพ่อเยอะหน้ายกย่องสรรเสริญความเพียงกันดีด้วยก็ต้องมาจนได้เราไปสอน เมื่อนอกกอหกเดือนเข้มาสอนเมืองไทยหกเดือนแล้วก็เปลี่ยนกันไปอย่างนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอนาคตต่อไปขอเชิญคุณด็อกเตอร์จาจุรีพรดุงชีวิตกลับนาะรัชการพระอาจารย์นะคะสิทธินีคำถามก็คือว่าเนื่องจากเรานั้นเป็นลูกสิษย์ครูสมาธิใช่ไหมคะแล้วคอร์สนี้ก็กำลังจะจบลงแล้วนะคะ ยากจะกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์นะคะว่าในกรณีที่เราจะออกไปเป็นครูสมาธิเนี่ยนะคะ เ, เนื่องจากว่าถ้าผู้สอนนะคะครองสมนเภศนะคะผู้เรียนนั้นก็ย่อมจะมีความเชื่อและมีความศรัทธาอยู่แล้วแต่หากว่าผู้สอนนั้นนะคะเป็นคารวะ อ, อยากจะกราบเรียนถามว่าท่านจะมีวิธีแนะนํำยังไงคะที่จะสร้างศรัทธาเพราะว่าการเป็นครูนั้นนะคะ เข้าใจอย่างเดียวไม่พอปฏิบัติได้อย่างเดียวไม่พอนะคะจะต้องสามารถถ่ายทอดได้นะคะสิทธิจึงอยากจะกราบเรียนถามว่าให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําทีค่ะค่ะว่าในกรดิชั่นในอนาคตนะคะถ้าสิทธิอยากจะสอนตรงนี้จะทํายังไงให้เกิดความศรัทธาสําหรับผู้เรียนค่ะคะือเราคงจะเห็นแล้วว่าอที่โดยทั่วไปเนี่ยแล้วในปัจจุบันเนี่ย ผู้ที่สอนสมาธิมีชื่อเสียงที่เป็นฆราวาสก็มีเยอะแต่การที่จะสอนให้ฆรวาสสอนฆราวาสนั้นในปัจจุบันนี้เราพากันเข้าใจผิดไปว่าฆรวาสสอนฆราวาส ด, ดูมันผิดลึกผิเล็ก แต่ว่าที่จริงแล้วนี่ถ้าจะให้เป็นการที่ว่าสอนแล้วได้ผลยอมรับเราก็ถือเอาหลักการเป็นเอาหลักการคือหลักการที่วางเอาไว้นี่คือหลักการและทีนี้เราเวลาสอนก็เราก็ถ่มตัวเราหน่อย ถ้าทําตัวเราหน่อยก็หมายความว่าไม่ใช่เป็นครูจรจังอะไรหรอกนะว่านี่ยแท้ที่จริงก็คือเป็นกัญยาณามิตรกันนั่นเองฉันได้ความรู้มาอย่างนี้ฉันก็จะขอแบ่งให้คนที่รับก็คงจะพอใจอ่ะดีไม่ดีน้ำตาไหลด้วยอขอบะะคุณค่ะอ่ะ ต่อไปขอเชิญจาริณีตโตเนาะอาจารย์ทาอาจารย์ค่ะคืออยากถามว่าเวลาสิ็นนอนหลับฝันไปว่าไปเที่ยวนะคะแล้วจะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเือนเหนื่ อ, อยรเรียกว่ายานวิญญาณเราออกไปเที่ยวป่ะคะเออหลวงพ่อก็เคยเหมือนกันฝันเสร็จแล้วไปเักโอ้โหไม่รู้ไปถึงไหน ไปเสร็จแล้วกลับคืนมาอ้าวนึกว่าไม่ได้ฝันออาการที่เป็นอย่างนั้นเวลาที่เราฝันไปเนี่ยโดยเฉพาะแล้วเนี่ยนะอหลวงพ่อจะเล่าเรื่องของลุงหมายความว่าลุงหลวงพ่อเองอ่ะคนที่เป็นลุงนี่ก็คือพี่ของพี่ของแม่อ <c oughs> แต่เป็นผู้ชายแกลำเมอแล้วแกก็ไปไถนาแกจับควายไปไถนาไถนาได้ตั้งเยอะเสร็จแล้วก็กลับมานอนเนื้อแกก็บอกว่าฉันไม่ได้ไปทั้งทั้งได้จับควายไปไถนาได้เนี่ยไอคนละเมอร์จริงแล้วอาทิตสมมันไายเนี่ยเวลาที่ เรายังมีชีวิตอยู่อย่างเนี้ยการที่จะออกจากอตัวเราไปเนี่ยมันออกไปไม่ได้เต็มที่ออกไปได้บางส่วนทีนี้ถ้าพูดถึงว่าออกไปได้บางส่วนแล้วเนี่ยร่างกายเออภิสมันกายก็แยกตัวได้มันไม่ใช่แยกตัวได้กระเสาะเรียกว่ากะ เพราะว่าที่มันกายเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันมีกระแสแต่ตัวจริงเนี่ยมันออกไปไม่ได้โดยเด็ดขาดอ่ะแต่ไปด้วยกระแสทีนี้การไปด้วยกระแสนั่นอ่ะมันก็ต้องอาศัยไอ้จิตใจของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ที่จะต้องไปตามกระแสนั้นในที่สุดมันก็เลยเหนื่อย ปรากฏก็เหมือนเหนื่อยนั่นมเป็นอย่างนั้นอันนี้คือตามความเป็นจริงต่อไปขอเชิญคุณจารุลักษณ์สุทธิโชคบบกราบในมศการแมอาจารย์ค่ะลูกมีขอความกรุณาถามแทนลูกสาวนะเจ้าค่ะซึ่งอายุ1ิบห้าปีเขาฝึก ท, ทำสมาธิเจ้าค่ะแล้วก็เขาได้เป็น ในในความรู้สึกของเขา่านะคะในขณะที่เขาบริกรรมพุทโธเมื่อจิตเขานิ่งสงบแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นดวงขนาดเหรียญสิบบาทค่ะแล้วก็ดวงอันนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กลางหน้าผาแล้วจากดวงอันนี้เนี่ยนะคะเขาทำต่อมาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเป็นสองดวงไปที่ซ้ายและขวาพอวันต่อมาดวงอันนี้ก็จะเลื่อนลงมาถึงเป็นดวงที่สามอยู่ที่จมูกที่ดั้งจมูกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกบอกว่าเขาจะได้อย่างนี้อยู่เรื่อย แล้วเมื่อเขานั่งถ่ายในห้องซ่วมนะคะเขาเพ่งไปที่ประตูห้องซ่วมเนะะี่ยค่ะเขาก็เห็นว่าประตูห้องซ่วมนั่นะมันเป็นแสงแล้วก็มีความรู้สึกขย่าเขย่าเหมือนจะพังลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่ว่าเพ่งเพ่งอย่างอื่นแล้วสิ่งนั้นจะทะเยืทะนนะคะเขาให้ฝากมาเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าตรงนี้เนี่ยคืออะไรแลวเขาจะทำต่อไปอย่างไรถึงจะถูกต้องะคะ่ะ อันนั้นหมายถึง uh, กระแส mm. เขาเรียกว่ากระแสกระแสเนี่ยก็เหมือนอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยว่า mm. อ, อ, อาทิสมันกายนีย่มันไม่ได้ออกจากร่างแต่ว่ากระแสมันไปนําเป็นกระแสเพราะฉะนั้น mm. เวลาที่เขานั่งสมาธิแล้ว mm. เกิดแสงอะไรขึ้นมาอย่างนี้ เขาเรียกว่ากระแสดีนี้กระแสอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกระแสอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้บุคคลผู้นั้นเนี่ยจะเห็นแต่คนอื่นเขาจะเห็นเขาจะเห็นไม่ได้เขาจะเห็นด้วยตัวเขาเองดีงนี้เห็นน่ะเห็นตอนเข้าสมาธิน อ, อบางทีอย่างที่ไปในส่วมอย่างเงี้ยอาจจะหลับตา แล้วก็เห็นขึ้นทีนี้ในกระแสะอย่างนี้เนี่ยไอ้กระแสะอันเนี้ยพอหนักเข้าหนักเข้ามันจะกลายเป็นนิมิตกระแสะอันเนี้ยกลายเป็นนิมิตพอกลายเป็นนิมิตแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันกับเป็นความฝันมันกลายเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นทางที่ถูกต้องก็คือว่ากำหนดจิต ไม่ให้ไอ้กระแสนี่มันออกมาเพราะว่ากระแสที่ออกมาเนี่ยมันทําให้เสียพลังจิตถ้าหากว่ายิ่งแกงออกไปแล้วมันยิ่งจะออกไปเยอะเลยพอเยอะมากเข้ามาเข้านี่พลังจิตจะลดระดับพอลดระดับจะเกิดการพลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ทางที่แก้ก็คือว่าให้มีสติ แล้วก็ต้องใช้ผู้รู้ถามนะใครเป็นคนเห็นแสงเนี่ยมันจะมีอะใครเป็นคนเห็นแล้วก็อยู่ที่ผู้เห็นนั่นแสงนั้นจะหายไปเมื่อแสงหายไปได้เนี่ยอบุคคลคนนั้นจะมีพลังจิตสูงแล้วเนี่ยจยากขอความปรณนิบกนิดนึงคะว่าแล้วที่เห็นของขยื่นเนี่ยค่ะทุกครั้งเนี่ยเป็นอะไรคะหรือว่าจะต้องอะของขยื่นเนี่ยมันเป็นความอเอก ความรู้สึกความรู้สึกอันหนึง่งเหมือนกับเห็นบ้านความหมายอะไรอย่างงี้มันจะมีมีไอความรู้สึกของไอกระแสจิตเนี่ยมันจะเกิดเช่นอย่างคนเพ่งรวงแก้วอย่างเนี้ยเดี๋ยวลอยขึ้นเดี๋ยวลดลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกระแสต่อไปขเอเชิญคุณจิลาพรธรรมจินดาค่ะผู้จัการค่ จะถามว่าเมื่อเวลาทําสมาธินะคะจิตมันก็สงบนะคะเนี่ยจะเห็นส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคพอพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายปรากฏว่ามันเป็นสีดำํำแล้นก็แตกแตกออกไปนะคะบางทีก็จะเห็นแสงสีต่างๆเนี้ยค่ะพอพิจารณาแสงสีก็จะเห็นเป็นเหมือนกระจกใสนะคะแล้วก็บางมากฝังอยู่ข้างหน้าเราค่นี้จะถามว่า เออเวลานั้นเราจะเกิดความเย็นอยู่ในตัวอันนี้จะให้พิจารณาไงต่ออีกเมือเอ่อเวลาที่ทำจิตเนี่ยพอเวลาที่ไปเห็นร่างกายอย่างนั้นเนี่ยเราก็ให้เห็นไปเห็นไปแล้วในที่สุดมันก็จะสลายตัวไปแต่เราจะต้องรู้ว่าใครคือผู้เห็น อันนี้เราจะต้องทำไมเราจะต้องถามว่าใครคือผู้เห็นเพราะว่าผู้เห็นนั่นเป็นตัวสาคัญเราก็ถามเพื่อที่จะย่อให้จิตของเราเนี่ยเกิดสติขึ้นในอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานเห็นกายอย่างนี้เรียกว่าสติปัฏฐา น, น, ายยาาตานแต่ทีนี้ถ้าหาความมองไปตลอดเวลาน เ, เ, นเนี่ยไอ้กระแสเนี่ยมันจะเวลาที่มองไปเนี่ย มันเน่าสูญเสียพลังไปเยอะอ่าเราก็เอกลับคืนมาตั้งที่จิตคือการเห็นร่างกายเน่โดยมากพระอาจารย์ท่านบอกว่าจารนาไม่เกินกว่าห้านาทีนี่มากเกินไปแล้วว่าไงเคที่ น, นาช่วยระยะหนึ่งแล้วก็ให้สลายตัวไปแล้วกลับคืนมาที่ตั้งของจิตคือพุทธิเหตนนั้น อย่างที่เห็นแสงแล้วมันเป็นแก้วใสนะคะมาบางมากเลยอะคะอ่ะตัว <จะ S 2> ่เห็นอะไรก็ตามเราต้องถือว่าสิ่งนั้นคือนิมิตมันจะเห็นแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเราควรจะให้สลายตัวแล้วเรามาอยู่ที่จิตคือตัวผู้เห็นเนี่ยต่อไปขอเชิญคุณจิรศักดิ์ถนอมพันธ์าราสตราจารย์ท่าน ผมเดือดปิดใจเรื่องอาภิสมานใจที่อาจารย์อาภาธแล้วก็ได้ออกไปที่ภูเขากลางทะเลไม่ทราบว่าใชา้เวลานานเท่าไหร่ถึงกลับมาแล้วก็สถานที่นั้นเนี่ยลูกศิษย์ทั้งหลายนี่จะมีโอกาสไปหรือไมออไม่ได้รไปไม่ได้เราไปแล้วไม่ได้กลับ ลมเฝ้าไปยังมีอาจารย์เรียกกลับเวลาที่ไปนั้นใช้สามสิบนาที เ, เวลาที่หมดลมหายใจไปเนี่ยทางะพดียอมิดาก็ไปนั่งเฝ้า อ, อยู่กำลังร้องไห้อยู่พอดีก็ตั้งนาฬิกาได้สามสิบนาทีถึงได้กลับคืนมา แต่ว่าโอกาสที่คนจะไปที่นั่นนะ่ะก็คนจะมีโอกาสนะแต่ไม่ไม่ค่อยดีหรอกออเป็นใครมาลาเรียโอ้เจ็บสมองไม่ใช่เล่นงนะนั่นนะเจ็บเจ็บนทนไม่ไหวหมดชีวิตพอดีอออ่าขอเชิญคุณจุรีพรชานชัยสินป์ถามนมันส ก, การพระอาจารย์ ม่อยากจะถามที่เรียนผ่านมานะคะคือว่า อ, า, อาจินไทรนะคะที่แปลว่าไม่ควรคิดน่าคิดคิดแล้วคิดไม่ถึงแต่ว่าสี่ข้อนี้ไม่เข้าใจค่ะคืออาจินไตรอันนี้คือหนึ่งพุทธาอาจินไตแปลว่าอะไรนะคะแลสองยา น, นะอาจินไตร สามกรรมนะอาจินใจนะสี่โลกอาจินใจสี่ข้อ น, นี้ไม่ทราบนะคะว่าแปลว่าอะไรอยากห่าจอาธิบายนิดนะอคอออาจินใจแปลว่าถ้าใครคิดก็คงเอ่อคว่าคิดมากก็เสียสติอะไรทำนองนี้เรียกว่าอย่าคิดดีกว่าก็เลยใช้คำว่าอาจินอาจินก็คือการไม่คิดไม่ถึงเนี่ย เอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีฤทธิ์ขนาดไหนอันนี้คิดคิดไม่ถึงเพราะว่าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายจนกระทั่งว่าถ้าทำในสิ่งที่เหลือเหลือเชื่ออย่างนี้เป็นตน้นแล้วทีนี้อย่างยานชาณาจินไตยอย่างเนี้ยคือการเข้าฌานเนี่ย การธรรมดานี่คนไม่กินข้าวเจ็ดวันเนี่ยมันก็ต้องตายแน่ๆแต่ว่าคนเข้าฌานแล้วมันไม่ตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเออเราไม่คิดว่าโอทําไมมันถึงได้แปลกประหลาดไปได้อย่างนั้นแต่มันทําได้อย่างยานหน้ากินไตยอย่างเงี้ยอย่างที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังอย่างนี้ยาเนี่ยถ้าคนไปทังทําไปถึงจุดพลังอํานาจเนี่ย มันจะมีอะไรต่างๆเนี่ยเหนือคนเรียกว่าอัศจรรย์นะว่าองั้นเถ อ, อะหรือว่ากรร ม, มะอาจินใจอย่างเนี้ยผลของกรรมในกรรมนี่เราคิดไม่ออกบางคนนี่ทําบุญมาอยู่ดีๆทาไมต้องมาเสวยกรรมอย่างนี้อย่างเนี้ยเนี่เป็นต้นหรือว่าโลกอาจินใจอย่างเนี้ย ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งคิดยิ่งไปยิ่งคิดยิงมากมันไม่มีที่สิ้นสุดเขาเรียกว่าจินใย